ส่วนท่านปิงคยะปิงคยะรูปสุดท้ายเนี่ยนะท่านก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์จะไปบอกภาวรีพราหม์ถึงการบังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเพราะข้าพงได้ไปให้ปฏิญาณไว้แก่ภาวรีพราหมณ์นั้นลําดับนั้นท่านพระปิงคยะก็ได้รับอนุญาตจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ไปถึงฝั่งโคทาวรีด้วยยานพาหณนะแล้วก็ เดินไปด้วยเท้าเนี่ยนะมุ่งหน้าไปยังอาสมพาวรีพรามนั่งแลดูต้นทางเห็นท่านปิงคียะปราศจากหาบและชะดาเดินมาด้วยเพศภิกษุก็สันนิฐานเอาว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนะเนี่ยจึงถามท่านปิงคียะเมื่อไปถึงแล้วว่าพระพุทธเจ้าอุบัติในโลกแล้วหรือท่านปิงคียะก็ตอบว่าถูกแล้วพรามพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งณนะป่าสารกะเจดีแสดงธรรมแก่พวกเรา พาวรีพรามก็บอกว่าข้าพเจ้าจาักฟังธรรมะของท่านลำดับนั้นภาวรีพราหม์พร้อมด้วยบริษัทก็บูชาปิงคียะพระปิงคียะเนี่ยด้วยสการะเป็นอันมากแล้วก็ปูอาสนะท่านปิงคียะก็เล่าให้ภาวรีพราหม์ฟังว่าข้าพเจ้าเนี่ยหรืออาตมาเนี่ยจักขับ ตามเพลงขับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปราศจากมนตินมีพระปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินไม่ได้มีกามไม่ได้มีป่าเป็นนาคคือได้ทรงเห็นแล้วอย่างใดก็ตรัสบอกอย่างนั้นบุคคลพึงพูดเท็จเพราะเหตุไรอธิบายว่าข้าพเจ้าจะขับเพลงขับคือจะขับเพลงขับคือจะขับตามธรรมะที่พระองค์ตรัสแล้วจะขับตามธรรมที่พระองค์ตรัสบอกจะขับตามธรรมที่ตรัสประกาศ น, นะคือพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นแล้วอย่างใดก็ตรัสแล้วอย่างนั้นก็คือทรงเห็นแล้วอย่างใดก็ตรัสบอกคือตรัสบอกว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมคือเพราะสำรอกอวิชชานั่นแหละโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับถ้าสังขารดับปฏิส่นที่วิญญาณก็ดับถ้าปฏิส่วนที่วิญญาณดับวัตทุกทัั้้้งงปวทสินก็ข นันผู้ที่รู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอาสวะเหตุเกิดความดับและข้อปฏิบัติให้ถึงความาาดับอาสวะเนี่ยนะรู้เหตุเกิดความดับอาส า, าทาอาทีนวะนิสนะของอุปาทานขันห้าภาษายตนะหมหาภูตรูปเสร้อภิญยยธรรมปริญยยธรรมภาเวตปธรรมปหาธาปธรรมสัจจิกาตาปธรรมตลอดจนถึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงรว้แต่มีความดับไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นแล้วอย่างไรก็ตรัสบอกอย่างนั้นคือพระองค์เห็นธรรมะเป็นที่พ้นทุกข์เห็นธรรมะเป็นที่พ้นกิเลสโดยเฉพาะเห็นอริยสัจอย่างไรพระองค์ก็แสดงอย่างนั้นพระองค์นั้นปราศจากมนทินคือความโลภความโกรธความหลงความผูกโกรธอ่ะความโกรธความผูกโกร ธ, ค, กร ธ, ค, กรธคือพระองค์นี่เป็นผู้ละบาปอากุศลพิสังขารทั้งปวง ทั้งหมดเนี่ยเป็นมนทินมนทินเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตามยอดด้วนให้ถึงความไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วไม่มีมนทินหมดมนทินไร้มนทินไปปราดมนทินละมนทินแล้วพ้นแล้วจากมนทินล่วงมนทินทั้งปวง แผ่นดินท่านเรียกว่าภูริพระผู้มีพระภาคเจ้าประกอบด้วยปัญญาอันกว้างขวางเสมอด้วยแผ่นดินเนี่ยนะปัญญาความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ทั่วความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิท่านเรียกว่าเมตตาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยปัญญาเป็นเมตานี้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงชื่อว่าทรงมีพระปัญญากว้างขวางดังแผ่นดิน พระองค์นั้นเป็นผู้ไม่มีกามก็คือทั้งวัตถุกามกับกิเลสกามเนี่ยนะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงกําหนดรู้วัตถุกามละกิเลสกามแล้วเพราะทรงกําหนดรู้คือธรำยาตะปริญญาตีรณปริญญาในวัตถุกามทรงทำปะหานะปริญญาในกิเลสกามแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงใคร่กามไม่ทรงปรารถนากรรมไม่ทรงรักกามไม่ทรงชอบใจในกามชนเราใดชอบ ใคร่กามปราถนากามรักกามชอบใจในกามชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ใคร่กามมีความกำหนัดด้วยราคะมีสัญญาด้วยสัญญาส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ทรงใคร่กามไม่ปรารถนากามไม่ทรงรักกามไม่ทรงชอบใจในกามเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วจึงไม่ได้มีกามไร้กามสละกามคลายกามปล่อยกามละกามสลัดคืนกามเสียแล้วปราศจากราคะมีราคะหายไป สละราคะคลายราคะละราคะสละคืนราคะเสียแล้วเป็นผู้หายหิวดับแล้วเย็นแล้วสเสมอสุขมีพระองค์อันประเสริฐอยู่นั้นพระองค์จึงไม่ได้มีกามพระองค์ก็ไม่มีป่าคำว่าป่าก็เป็นชื่อของราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรริศยาตนีเป็นต้นเนี่ยนะตลอดจนถึงอกุศลภิสังขารเรียกว่าป่า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 พระองค์นี้เป็นนาคคือพระองค์ไม่ทําความชั่วไม่เสด็จไปสู่ความชั่วแล้วก็ไม่เสด็จกลับมาสู่ความชั่วเพราะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าเป็นนาคเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยพู้เป็นนาคอย่างนั้นจะพึงกล่าวเทศเพราะเหตุอะไรคือพระองค์เนี่ยจะพึงกล่าวถ้อยคําเทศกล่าวมูสาวาตกล่าวถ้อยคําอันไม่ประเสริฐเพราะบุคคลบางคนในโลกนี้อยู่ในที่ประชุมอยู่ในบริษัทอยู่ในท่ามกลางญาติในท่ามกลางราชสกุล เขานำไปเป็นพยานถามว่ามาเถิดบุตษผู้เจริญท่านรู้เหตุใดจงกล่าวเหตุนั้นบุคคล น, นั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นเนี่ยนะเมื่อเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็กล่าวเทจทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนบ้างเพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้างเพราะเหตุแห่งสิ่งของเล็กน้อยบ้างแต่พระองค์เนี่ยไม่ได้กล่าวมุสาวาตแบบนั้นเนี่ยนะ หรือบางคนก็มูสาวาดด้วยเหตุ3อย่างคือก่อนจะพูดก็รู้ว่าจกพูดเท็จกำลังพูดก็รู้ว่ากำลังพูดเท็จพูดเสร็จแล้วก็รู้ว่าพูดเสร็จแล้วแล้วมูสาวาดด้วยอาการ3อาการ4ี่ก็ก็เหมือนในยะเดียวกันอาการ5อาการ6อาการ7อาการ8อาการ8อย่างก็คือบุคคลนั้นรู้ว่าจกพูดเท็จก่อนจะพูดก็รู้ว่าจกพูดเท็จกําลังพูดก็รู้ว่าพูดเท็ดพูดเสร็จแล้วก็รู้ว่าพูดเท็จตั้งความเห็นเอาไว้ตั้งความควรเอาไว้ตั้งความชอบใจเอาไว้ตั้งสัญญาเอาไว้ตั้ง ความเป็นไว้มูสาวาทก็มีด้วยอาการแปนั้นสรุปว่าท่านพระปิงคยะเล่าให้ภาวรีพรามณ์ว่าข้าพเจ้าจักขับเพลงจักขับตามเพลงขับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปราศจากมนทินมีพระปัญญากว้างขวา ง, วางดังแผ่นดินไม่ได้มีกามไม่ได้มีป่าเป็นนาคพรงทรงเห็นแล้วอย่างใดก็ตรัสบอกแล้วอย่างนั้นบุคคลพึงพูดเท็จเพราะเหตุอะไรเนี่ยนะ พี่ฉะนั้นข้าพเจ้าจักกระบุถ้อยคาอันประกอบด้วยคุณของพระองค์คือของพระพุทธเจ้าผู้ทรงละมนทินและความหลงเห้วผู้ทรงละความถือตัวและความดูหมิ่นอันนี้ก็เป็นคำของปิงคิยะเนี่ยนะประกาศถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้ภาวรีฟังคาว่ามนทินก็เป็นชื่อของราคะโทสะโมหะมานะทิฏกิเลสทุจริตทั้งปวงนี่เป็นมนทิน ส่วนความหลงก็คือความไม่รู้ในอริยศาสตร์สี่ความไม่รู้ในอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเรียกว่าความหลงโมหะมนทินและความหลงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตามยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระองค์นละมนทิน คือราคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทูเจริตและอวิชชาได้แล้วพระองคนี้ก็ไม่มีความถือตัวเนี่ยนะไม่มีมานะพระอง์เนี่ยทรงละความถือตัวได้หมดแล้วความถือตัวเป็นชื่อของมานะมานะนี่ถ้ารับแบ่งเปรียบนะแบ่งมานะเป็นมานะอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดป้ามานะอย่างเดียวก็คือพองจิตมันพองอย่างเดียวแบ่งเป็นสองอย่างก็คือยกตน กับข่มผู้อื่นแบ่งเป็นสมก็สําคัญว่าดีกว่าเสมอกว่าหรือเร็วกว่าหรือมานะแบ่งเป็นสอย่างก็คือเพราะลาบยศสันเสริญสุขนะนะมานะห้าอย่างก็เพราะว่าเราเป็นผู้ได้รูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพที่น่าชอบใจมานะหอย่างก็คือถือตัวว่าเราเนี่ยถึงพร้อมด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจมานะเจอย่างก็ความถือตัวความถือตัวจัดความถือตัวเกินกว่าความถือตัวหรืออติมานะเนี่ย ความดูหมิ่นความดูแคลนความถือตัวว่าเรามีกับสําคัญว่าได้บรรลุนี่นะอาทิมานะส่วนความถือตัวโดยอาการแปดก็คือบุคคลให้ความถือตัวเกิดเพราะลาบหรือว่าให้ความดูหมิ่นเพราะความเสื่อมลาบนะตัวเองมีลาบก็ถือตัวว่าตัวมีลาบดูหมิ่นคนอื่นในความเสื่อมลาบถือตัวเพราะยศดูหมิ่นคนอื่นเพราะเสื่อมยศนะถือตัวเพราะสรรเสริญดูหมิ่นผู้อื่นเพราะนินทา ถือตัวเพราะความสุขก็ดูหมิ่นคนอื่นเพราะความทุกข์เรียกว่าถือตัวโดยอาการ8โดยอาศัยโลกธรรมแปดส่วนถือตัวโดยอาการ9ก็ถือตัวว่าดีกว่าเขาเนี่ยนะสำคัญตัวว่าเสมออ่านะคือจริงๆอ่ะดีกว่าแต่สําคัญว่าดีกว่าสําคัญว่าเสมอสําคัญว่าเรวกว่าหรือจริงๆก็เสมอเข้าเนั่ยแหละแต่ว่าสําคัญว่าดีกว่าสําคัญว่าเสมอสําคัญว่าเรวกว่าหรือเรวกว่าเขาอ่ะสําคัญว่าดีกว่าเสมอแล้ว่าเร็วกว่า ส่วนความถือตัวโดยอาการสิบก็คือถือตัวเพราะชาติกําเนิดเพราะโคตรเพราะบุตรแห่งสกุลมีผิวพันธุ์รูปร่างเพราะทรัพเพราะการเชื้อเชิญบอกเกิดแห่งศิลปะการงานหรือว่าศิลปะวิชาการศึกษาปฏิพานหรืออาศัยวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดความถือตัวอั้นความถือตัวกิริยาที่ถือตัวความเป็นผู้ถือตัวความพองจิตความมีมานะดังว่าไม้อ้อสูง มานะดังทงชัยมานะอันเป็นเหตุให้ยกย่องความที่มีจิตใคร่ดังทงนําหน้าเรียกว่าความถือตัวความถือตัวดังกล่าวนี้พระองค์ไม่มีส่วนมัคคะคือความลบหลู่กิริยาที่ลบหลู่ความเป็นผู้ลบหลู่กรรมอันประกอบด้วยความแข็งกระร้างเรียกว่าความลบหลู่ในคําว่ามัคคะความถือตัวคือมานะความลบหลู่คือดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้ว ทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระองค์ละความถือตัวและความลบลู่คำว่าจักประกาศซึ่งถ้อยคำวาจาคำเป็นคลองคำที่ควรแป่งอันเข้าไปถึงเข้าไปพร้อมเข้ามาเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยคุณคือจักระบถ้อยคำอันประกอบด้วยคุณ เพราะฉะนั้นพระปิงคียะเถระจึงกล่าวว่าพีฉะนั้นข้าพเจ้าจักระบุถ้อยคำอันประกอบด้วยคุณแก่พระองค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าผู้ละมนทินและความหลงแล้วผู้ละความถือตัวและความลบดูนะก็จะเล่าพุทธคุณให้ท่านฟังนะฟังนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วมีพระสมณตะจากสุทรงบรรเทาความมืดทรงถึงที่สุดโลก ล่วงพบทั้งปวงไม่มีอาสะวะทรงละทุกทั้งหมดได้แล้วมีพระนามจริงเป็นผู้ประเสริฐอันค่าพระคพะเจ้านั่งใกล้แล้วเนี่ยนะก็แสดงว่าที่ที่ค้าพระเจ้าไปเนี่ยได้ไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าพูดบริบูรณ์ด้วยคุณเหล่านั้นดังกล่าวแล้วเนี่ยนะพระองค์นี้เป็นผู้ทรงบรรเทาความมืดก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรเทาทรงกาจัดทรงละ ทรงทําให้พินาศทรงทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งความมืดคือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสทุจริตอันกระทําให้บอดเนี่ยนะราคะก็ทําให้บอดนะโทสะก็ทําให้บอดโมหะก็ทําให้บอดมานะก็ทําให้บอดทิฏฐิก็ทําให้บอดกิเลสทุจริตก็ทําให้บอดเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ยทำเอ่อพระองค์เนี่ยกำจัดไอความมืดเหล่านี้เนี่ยนะเพราะว่าความมืดคือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสทุจริตเนี่ยทำให้ไม่มีจักสุ ทำให้ไม่มียานเรียกว่าทำปัญญาให้ดับตกอยู่ในฝ่ายแห่งความลําบากแล้วก็บาปอากุศลเหล่านี้ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยผู้บรรเทาความมืดเหล่านี้ได้หมดแล้วส่วนสมันตจักรสุก็เป็นชื่อของพระสัพพัญยุตยานนพระองค์นี้ทรงถึงที่สุดแห่งโลกะนะโลกันตะคูสัพพาติวัตโต ก็คือคำว่าโลกเนี่ยหมายถึงโลกหนึ่งก็คือภพโลกหนึ่งแบ่งเป็นภพโลกสองคือภวะโลกเป็นสมบัติกับภวะโลกวิบัติเนี่ยนะคือสุขคติกับทุตคตินะโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกหคืออุปาทานขันห้าโลกหกคืออายตนาภายในหกโลกเจ็ดคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดโลกแปดก็คือโลกธรรมแปดโลก9ก้าก็คือสัตตว่าเก้าโลกสิบคืออุปกิเลสสิบ โลกสิบอดคือการมาพบสิบอ็ดโลกสิบสองคืออายตนะสิบสองโลกสิบแปดคือท่าสิบแปดโลกทั้งหมดนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงที่สุดถึงส่วนสุดแห่งโลกแล้วไปสู่ที่สุดแห่งโลกแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ไปนิพพานถึงนิพพานเรียบร้อยแล้วพระองค์นี้ก็เป็นพระอรหันต์ที่มีอริยวา่ากเรียกว่าอยู่จบธรรมะของพระอริยะทั้งหมดมีจรณะอันประพฤติแล้วเป็นผู้ที่สิ้นชาติสงสารคือชาติชรามรณะ พบใหม่ของพระองค์ไม่มี